241อบุปาลิปุดฉากระถาว่าด้วยพระอุบาลีกราบทูลถามปัญหาเรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัยหมวดที่หนึ่งรวม16กรณี400ครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว ได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรท่านพระอุบาลีผู้นั่งแล้วณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ากรรมที่ควรทำต่อหน้าแต่สงผู้พร้อมเพรียงการกลับทมลับหลังกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัตอบว่า อุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยท่านพระบาลีทูลถามว่ากรรมที่ควรทำโดยการสอบถามแต่สงพร้อมเพรียงกัรทำโดยไม่สอบถามกรรมที่ควรทำตามปฏิญญาแต่สงพร้อมเพรียงกัรทำโดยไม่ตามปฏิญญา ให้อมูละหาวิันแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนลงตัดสปาปิยศสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมุละหาวินัยลงตัดชน ي ยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยศสิกากรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนียกรรมลงปัภาชน ي ยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับภาชนียกรรมลงอุกเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมให้ปริวาทแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนียกรรมชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม อภานภิกษุผู้ควรมานัดให้ภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบทให้กุลบุตรกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอุบาลีกรรมที่ควรทําต่อหน้าแต่สงผู้พร้อมเพรียงกันกลับทํำลับหลังอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดอุบาลีกรรมที่ควรทําโดยการสอบถาม แต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับธรรมโดยไม่สอบถามกรรมที่ควรทําตามปฏิญญาแต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับธรรมโดยไม่ตามปฏิญญาให้อมูลห่าวิไนแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนลงตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมุลห่าวินยัย ลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสภาปิยสิกาลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนียกรรมลงปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับภาชนียกรรมลงอุกเขปนียกรรม แกพ like ิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมให้ปริวาสแกภิกษุผู้ควรอุกเขปนิยกรรมชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแกภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมอัภานภิกษุผู้ควรมานัดให้ภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบทให้กุลบุตร อุบาลีอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แหละสงย่อมมีความผิด